นานจนไกลมันแค่เสิ้นบางครั้ไว้เปลี่ยนใจเปลี่ยบกายหรือยังโชคดีเตื่นได้เช้านี้ฝึกรูก้ใจจริงจัง b a y i s and t l o มันสวดมนต์ไหวพระวางอารมณ์ดทลอยความบอกทำนานอย่าน้อยเป็นร้อยจิตใจเกิดมามันเดิมองหมกตอนนอนยามนอนรู้ลมเป็นทานปลยวางอารมณ์สร้าคือพลั ง, งสู้วันตาย ไเลืนล้อยสะติสติสติสติสติสติสติมันเดินจงครงตอนนอนอยากนอนรู้ลมเป็นฐานปลอยว่าอารมศาคือคล้านเขาสู่วันตา ไม่ปล่อยลื่นลอยสติสติสติสติสติสติสติสติ